แล้วจะไปเห็นสิ่งนั้นชัดเป็นพิเศษมันเป็นของมันเลยอรัมันจะไม่เบลอไปหาเื้ออื่นมันมันจะชัดทุกมันเป็นเป้าตรงนั้นเลยเหมือนกับคุณอาจารย์พองไปเห็นแสงซื่อเลยนะเห็นเตตอนนั้นก็ลมหายใจกับกับพิจารณาพร้อมกันนครับอยรู้ขึ้นหมดอย่างเราก็มันใหญ่ใช่ไหมอ่ามันมันรู้พร้อมจริงจริงนะดูพร้อมทั้งตัวเห็นภาพที่สัมผัสชัด